พุทธธรรมฉบับรับขยายชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทความประกอบที่สี่ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจมีคำถามและคำกล่าวเชิญค่อนขอดว่าพระพุทธศาสนาที่ได้พบบ่อยครั้งซึ่งน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเนื้อความในบทตอนที่ผ่านมาเห็นควรนำมาพิจารณาในที่นี้คือคำพูดทำนองว่า พระพุทธศาสนาสอนให้ลอตัณหาไม่ให้มีความอยากเมื่อคนไม่อยากได้ไม่อยากร่ารวยจะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธศาสนาขัดขวางต่อการพัฒนาและอีกประการหนึ่งนิพพานเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมก็เพื่อบรรลุนิพพานแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะอยากในนิพพานไม่ได้เพราะถ้าอยากได้ ก็กลายเป็นตัญหากลายเป็นปฏิบัติผิดเมื่อไม่อยากได้แล้วจะปฏิบัติได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธศาสนาขัดแย้งกันเองและเป็นการให้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คำถามและคำค่อว่าสองข้อนี้ฟังดูเหมือนว่าจะกระทบหลักการของพระพุทธศาสนาตลอดสายตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจาวันของชาวบ้าน จนถึงการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานหรือตั้งแต่ระดับโลกีจนถึงโลกุตระแต่ที่จริงความสงสัยหรือการค่อว่านั้นมิได้กระทบอะไรต่อพระพุทธศาสนาแต่กลับสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่สงสัยหรือค่อว่าก็ตามไม่เข้าใจทั้งธรรมชาติของมนุษย์และมองพระพุทธศาสนาไม่ออก ความเข้าใจพราหมัวสับสนที่เป็นเหตุให้เกิดคำถามและคำค่อว่าเช่นนี้มีอยู่มากแม้แต่ในหมู่ชาวพุทธเองและเป็นปัญหาเกี่ยวกับถ้อยคำหรือเป็นเรื่องทางภาษาด้วยจุดสำคัญคือคนทั่วไปได้ยินว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ละตัณหาละตัณหานั้นแปลว่าความอยากลราจะด้วยเหตุใดก็ตาม ต่อมาคนทั่วๆไปนั้นก็ไม่รู้จักแยกแยะรู้เข้าใจเพียงแค่ว่าตัณหาคือความอยากและความอยากก็คือตัณหาไปๆมาๆเลยเข้าใจคำว่าความอยากเป็นตัณหาทั้งหมดและเข้าใจต่อไปว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ละความอยากหรือสอนไม่ให้มีความอยากใดๆเลยนอกจากนั้นบางทีรู้จักข้อธรรมะอื่น ที่มีความหมายทุนนองเดียวกันนี้แต่รังเกียจที่จะแปลว่าความอยากจึงเลี่ยงแปลเป็นอื่นไปเสียเมื่อถึงคราวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความอยากจึงลืมนึกถึงคํานั้นถ้าจะศึกษาธรรมะถ้าจะเข้าใจพระพุทธศาสนาจะต้องแก้ไขความเข้าใจผิดนี้เบื้องแรกพูดไว้สั้นๆก่อนว่าตัณหาเป็นความอยากชนิดหนึ่ง แต่ความอยากไม่ใช่คือตัณหาความอยากเป็นตัณหาก็มีไม่เป็นตัณหาก็มีความอยากที่ดีซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมและต้องใช้ในการพัฒนามนุษยก็มีความอยากนี้เป็นเรื่องใหญ่จะต้องเข้าใจกันให้ชัดเต็มที่ถ้ามีฉะนั้นจะไม่มีทางเข้าถึงพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นอย่างไรพูดนำไว้แค่นี้ เดี๋ยวอธิบายเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปก็จะค่อยๆเข้าใจได้เองก่อนจะพูดลึกลงไปในรายละเอียดมาศึกษากลไกของชีวิตในการกระทำต่างๆสักเล็กน้อย